อืมอันนี้ก็อย่างนั้นแหละอืมไม่ว่าจะเราหรอกพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันแหละท่านดถอดเป็นพระพุทธเจ้ามาที่พิเรนทร์หรออืมท่านก็เป็นผุ้ดชนคนน้าเหมือนกันกับเราอ่ะเป็นผู้ดชนคนน้าเหมือนกันกับเราแต่ท่านเป็นคนมีปัญญา ว่ามันมีเหตุผลมนุษย์สัตว์ทั้งหลายในโลกมีเหตุผลมันมีมืดมันก็มีสว่างมันมีร้อนมันก็มีเย็นอืมันมีสุขมันก็มีทุกข์แล้วมันมีเกิดแล้วมันก็มีตาย ท่านก็คิดไ้ว่าสิ่งที่ไม่เกิดนั้นมันก็ไม่ตายจะมีหรือไม่เนี่ยท่านแบมีเกิดแล้วก็มีตายมันมีแล้วสิ่งที่ว่ามันไม่เกิดแล้วมันก็ไม่ตายก็คงมีเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นคู่กันท่านคิดไปแถวนี้ ท่านยังในการในการกิเลสอะไรอะไรมากมายมีความเห็นตอนนี้ลองรู้เท่านั้นเราทุกวันหนึ่งคิดว่าเรายังมีกิเลสอยู่ยังงั้นก็คิดว่ายัางงั้นก็จําเป็นแต้องจังหวดกิเลสกันทีแล้วทึงจะมาปฏิบัติถ้าพูดย่างงั้นเราจังหวดกิเลสกันเราจริงจะมาปฏิบัติแล้วก็กาคิดย่างงั้นก็คงเป็นอย่างงั้นนะ อันนี้เนี่ยคือเราคิดผิดไปว่าก็าผมยังมีกิดเลสอยู่มีกิดเลสอยู่นั่นแหละคือเรีกว่ามันมีปัญหาอยู่เรายังไม่หมดปัญหาเรียกว่าปัญหายังมีอยู่ถ้ามีปัญหามันก็มีเฉลยที่นี่เราคิดว่าปัญหาเรามีอยู่เฉลยไม่มีเช่นเราเป็นนักเรียนเนี่ยเรียนหนังสือไปสอบหนังสือ ถ้าออกปัญหามาเรียกว่าไอ้คนที่โง่มันก็เรียกว่าไม่มีทางที่จะแก้ปัญหานั้นแต่ความจริงนั้นปัญหานั้นมันมีเฉลย อ, อยู่ทุกข้อไม่ใช่มีปัญห า, าเปล่าๆไอ้ที่คนไม่มีปัญญาเรียกว่าไม่มีทางแล้วไม่มีทางจะแก้ปัญหาเนี่แล้วก็อันนี้ก็เพราะว่าเราไม่มีปัญญาแค่ที่จริงก็ เมื่อมีปัญหาก็ต้องมีเฉลยปัญหาที่เขาถามเรามาทุกข้อก็ต้องมีเฉลยทุกข้อเป็นแต่ว่าปัญญาเราไม่มีตนรงนึกว่าเฉลยไม่มีเราแก้ปัญหาไม่ได้อันนี้ก็เพราะเรามีไม่มีปัญญาตัางหากแต่เขาจะมีปัญญาแล้วก็เรียกว่าเขาดูปัญหาแล้วเขาแก้ได้เฉลยต้องเขามีคนมีปัญญาอันนี้กมันต่างกันนั้น กนึกว่าผมยังมีเกลียดอยู่ก็นึกว่าหมดปัญหาแล้วออืแก้ไม่ได้ตายแล้วอยงั้นเดอ๋ยวเนี่ยมันก็เป็นอยู่แบบนี้เราก็ต้องมาดีใจต้องมาพิจารณานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงคนของท่านสิพระพุทธเจ้าเราท่านคิดยังไงแต่ละมีร้อนก็ต้องมีเย็นมีเย็นแล้วก็มีร้อนมีมืดแล้วก็มีสว่างมีสว่างแล้วก็มีมืดมีเกิดแล้วก็ต้องมีตาย มีตายต้มีเกิดไอ้สิ่งที่ไม่เกิดไม่ตายมีหรือไม่เนอคงจะมีเป็นแน่่าเนี้เดียดทันยางเดิรลาหุน่นพินพา ย, ยัางเต็มบ้านอยู่แล้วทรัพย์สมบัติยังเตบ้านพอแต่ทันดูสึบอย่างนี้เท่านั้นทันกะมาพิจรารณาดําเนินการพิจารณาไปเรื่ยอยๆนี่เห็นว่าในทางคราวญานี้มันเป็นที่ขับแย้มาก จะมีราบมากจะมียศมากจะมีสมบัติพัฒน์ฐานมากก็ริงหาความสงบไม่ได้ลำบากโลกเป็นที่คับแคบเกินย่างงั้นออกอบันปรญชาอุปสมบทเป็นพระจึงจะสมควรค้นคว้าหาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ ถ้าเราจะจมอยู่ในคนวดนี้จะก้มข้อหาธรรมะข้อนี้ได้ยากเพราะว่าเป็นของละเอียดสุขุมมากมท่านจะจึงออกบวชนี่าสตั้งใจปฏิบัติที่ท่านออกปฏิบัตินั้นท่านในรักลู ก, กเลยท่านในรักเมียเลท่านในสงสารอะไรอะไรเลยก็ที่ท่านออกไปบวชนั้นเนี่ยท่านว่าสงสารลูก สงสารมีรักทรัพย์สมบัติทางหลายแต่มนุษย์ทางหลายเห็นว่าได้ออกไปจากครอบครัวคารวะตัดช่องน้อยจะพ่อบัวไปคนเดียวอย่างนี้ในตอนจริงท่านไนคิดอย่างนั้นท่านคิดเป็นข้อติยานกับกุศลชนเราท่านคิดแต่น้อยท่านจึงกระทำมนะท่านทำท่านนั้นถ้าเราจะไปคิดอย่างนั้นก็บทค้าง เราก็เป็นคนหมดคนทางนะมั้งในความจําเป็นแล้วต้องพิจารณาเช่นว่าเราเกิดมาทรั้งแรกมันเป็ยังเล็กเราไม่โตอย่างนี้เมื่อเราโตอย่างนี้เกิดมาจากความเล็กมันทุกตัวได้อย่างนี้มันต้องมีเหตุอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันแห็นั้นไหมไอความดีทั้งหลายนั้นมันก็ ตอนิด่ตกต้องทั้งหดยนั้นมันมีโอกาสที่จะต้องทำได้ทุกคนเรามีสิทธิ์ทุกคนที่จะต้องปฏิบัติกันั้นได้เหมือนกันการทำสตินี้มันก็ก็เรียกว่าทำจิตให้มันมีผู้รู้เป็นผู้รู้อยู่เสมอจะทํายาที่จะรู้อยู่ก็มีปัญหากันนะคล้ายๆครับเรามีบริเวณหนึ่งขนาดกวางในเราจะสามเมตร่างนี้ มัน จ, จะไปนั่งอยู่ในนั้นนะเร จ, จะเอ า, างูเห่าสักตัวนีวใ่ใหญ่ๆเอาไปขังอย่าง น, นเราก็นั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงจิตเรานะมันด้วยเรานั่งอย่างนี้นนะไอความระแวงระวังของเราก็คืองูเหา่านั้นเป็นอสรารพิษแล้วจะเสืออยู่ไม่ได้เมื่อเราดุปีม่มันเลยมันเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราก็ ไม่ยอมจะนอนกันไม่ยอมจะง่วงกันเพราะอะไรเพราะกลวงอเห่าตัวนั้นเนี่ยมันลื่อยรอบเราอยู่ถ้าลูจักอย่างนั้นไอความรู้ของเรามันก็ชัดเจนขึ้นมาลู่รอบอยู่ในเรื่องทั้งทั้งหลายต่างๆเกิดขึ้นมามเรื่องแก้ปัญหานั้นมันก็มีหลายอย่างแต่ที่สุดของปัญหามันก็มี อืมถ้าเราแก้มันไม่หายแล้วก็แก้ให้มันสุดมุมมันเท่านั้นเกี่ยวมันจำเกณฑ์จะทาไงอืมก็หาว่ามันมาถึงที่จะต้องตายเราต้องแก้ให้มันได้มันดุดไปถ้ามันต้องที่สุดมันเลยกินก็ตัดาษสีให้มันตายเท่านั้นเนาะท่านนั้นนี่แก้ที่สุดมันก็ต้องแก้อย่างนี้อืเช่นว่ามันไปที่ไหนก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้แล้วจะดิ้นรนยังไงก็ไม่ได้แล้ว ืจะเป็นยังไงกันนี้ไม่ได้แล้วก็ตัดชิ้นตายนี่ที่สุดของมันนะนี่แหละที่สุดของมันก็ปล่อยมันนะว่าเรามันก็ถึงที่สุดมาแล้วไม่มีที่แก้ไขแล้วอย่างใหม้มาเราป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลอยาก็ช่วยไม่ได้หมอก็ช่วยไม่ได้เราเป็นคนป่วยเขาก็บอกว่าหมาว่าช่วยเธอไม่ได้แล้วยาก็ช่วยไม่ได้แล้วจะทำยังไง ไงเขาทำไงทั้งหมดเขาไหวอย่างนั้นสุดวิสัยแล้วหมอก็สุดวิสัยสายแล้วยากว่าสุดวิสัยแล้วจะทำไงเราเป็นคนไข้ เ, เราจะทำไงมันจะร้องไห้หรือจะทำไงนี่ขีดตรงนี้หละกะักอะถ้าหากว่าเรามีปัญญาไปตองร้องไห้มันเลยมันถึงคราวมันแล้วมันถึงสมัยมันแล้วมันถึงที่สุดมันแล้วอเหมือนคว้ง ก่อนดินขึ้นบนอากาศมันขึ้นไปขึ้นไปแล้วถึงคราวมันลงมันก็ถอยลงคุบถึงดินน่มันหมดวิสัยแล้วพระพุทธเจ้าก็ตัดปล่อยตรงนี้นี่ถึงคราวที่สุดมันแล้วนะอืมทีนี้ก่อนเราเป็นไข้ล้วจะเข้าโรงพยาบาลแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าทุกคนเขาจะาจะเอามันหายให้มันหายให้หายแล้วเอาไม่ตายเท่นั้นนะ่ะกลับให้มันหายเรื่องไม่หายและไม่ตายนี่ยไม่เอาทุกคน เนี่ยเอาตัวคนแต่บามันก็ได้อืมมันก็ได้อย่างนี้มันมอยู่เป็นเพื่นกับมันอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดว่าถ้าเราเป็นโรคชนิดหนึ่งเอาไปโรงพยาบ า, าล่ะเราก็นึกเห็นมันได้มายากแก้ตายก็ไม่มีหมอรักษามาให้ตายก็ไม่มีแต่ ถ, ถึงคราวมันแล้วดังนั้นเราตกตกลง ใ, ใจแล้วว่าตายก็เอาไม่ตายก็เอาหายก็เอาไม่หายก็เอา ถูกต้องถ้าว่าเราเอาหาอย่างเดียวเราเอาไม่ตายอย่างเดียวถ้าว่ามันไม่หายเราก็ทุกข์ไปเลย น, นี่ที่มันถูกต้องอย่างนี้มันแก้ไม่ได้อันนี้แบบหนึ่งนะแบบหนึ่งเราเป็นไข้มาเราช่างมันก็สังขารมันจะตายอยู่แล้วละอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือน ก, กันนะแต่ไม่ไม่ต้องรักษามันแล้วนะอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะต้องไปรักษามาันท่านจัดเป็นคนประมาทยาประมาทในสังขารนี้เมื่อสังขารนี้มีอยู่ ถาเรามีปัญญาก็ใช้สังขารอันนี้ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเรามากที่สุดให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาติศาสนาดีที่สุดถ้าอาชีวิตนี้ไม่มีแล้วเป็นต้นมันก็จบตงแค่นี้อันนี้ในแง่ที่เป็นประโยชน์นอี่นะนังนั้นเราก็ต้องรักษาสังขารนี้ไปก่อนอย่างแ่ไวใบ น, นี้มันจะแตกอยู่แล้วต่อไปมันต้องแตกพาวชนะนี่ไม่หยุดทำแตก ทำไมไม่ตีแต่เพราะว่ามันมีเที่ยงบังคับอยู่ไอ้ความในเที่ยงบังคับอยู่แล้วมันจะต้องแตกข้างหน้าไม่ช้าก็ต้องเร็วเราจะทำยังไงปฏิบัติต่อแก้วใบนี้เราจะต้องทำยังไงไม่ใช่ไหมแก้วใบนี้รักษามันก็แตกไปรักษามันก็แตกปล่อยมันทิ่ยงแค่ลูกไม่ต้องเก็บมันให้ดีหรอกมันจะแตกอยู่แล้วล่ะอย่างนี้มันจะดีไหมถ้าคิดไปในแง่นี่มันก็ไม่เคยดีเพราะเราประมาทกาแก้วใบนี้มันมีอยู่เราควรใช้มันนานแต่รักษาไปนานควรใช้นาน แต่ทําทั้งเราทีรู้ว่าเแก่ใบนี้มันจะแตกอยู่ข้างหน้าแล้วก็ต้องเก็บมันไว้ให้ดีใช้มันได้กดเช็ดแต่มันสะอาดลูกเก็บก็บอกว่าลูกระวังนะเแก่บใบนี้จะแตกนะเก็บให้ดีนะลูกนะต้องกำชัด้วยเรื่อยๆอย่างนี้ทำไมคนพ่อเห็นว่าแก่บใบนี้มันจะแตกเป็นอยู่ไม่ใช่ว่าลูกเอาทิ่งทีน่นั่นเอทิ้งเพราะมันจะแตกอยู่แล้วละอย่ารักษามันเลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่คนรู้จักธรรมะไม่ใช่คนมีปัญญา ่จะองให้ลูกให้คนใช้ให้ประคับประคองรักษาแก้วใบนี้ถ้วยใบนี้จานใบนี้หม้อใบนี้ไว้ให้ดีถ้าหม้อใบนี้ถ้วยใบนี้มีรักษาใบดี้นานประโยชนานานให้ประโยชน์นานไม่จําเป็นตจะซื้อ ม, มาบ่อยๆมันเป็นที่แล้วมันถึงคาวมาแล้วนะนมันแตกไปถึงค้ามันจะแตกจริงๆก็จะให้มันแตกถึงค่ามันยังไม่แตกก็รักษามันไว้มีเป็นต้นรอรักษามันก่อน เช่นนี้เราเราเราปฏิบัติตามโลกนี่ตามสังขารนี้มันก็รู้อย่างนั้นถ้าถึงที่สุดมอนี้ก็ไม่มีใครรักษาอะไรมันได้เปลนไปตามสภาพอย่างนี้นี่อันนี้เรียก ว, ว่าทารชิดเช่นนี้ อ, อ, อความหวาดด้วยความกระรึ่งต่อความผิดทั้งหลายนั้นมีในใจของเราอยู่ก็เป็นเหตุให้จิตใจเราตื่นอยู่เมื่อจิตใจเราตื่นอยู่ก็ได้ ว, ว่ามีความระลึกได้เป็นสติในตัวของเราลึกได้อยู่ เมื่อเราดึงได้สัมปัจัญญาความรู้ตัวมันก็เกิดมาพร้อมกันเมื่อมีสติมีมีสัมปัจัญญาปัญญาเขาวิ่งมา <_' S 2> อยู่ในปัจจุบันเขา อ, อันนี้ควรจะทําอย่างนั้นอันนั้นควรจะทาอย่างนี้ในเมื่อปัจจุบันนี้อนีอย่างนี้มันก็ช่วยตัวของเราได้อช่วยตัวของเราได้เป็นประโยชน์อั น, นอย่างเราที่จะต้องทํางานทุกอย่างเราก็ต้องมีสติร้อมระลึกได้สัมปัจัญญาความรู้ตัวอยู่เสมอว่าถ้าทําอย่างนี้ลงไป เพราะการกระทำนี้มันเป็นเหตุใช่ไหมอารกระทำอย่างนี้ทั้งไปมันควรไหมควรถูกไหมอะไรไห ม, อมชอบไหมอย่างนี้อยกตัวอย่างเช่นคนหลงนะคนขี้เหล้ากินเหล้ามาตอนเย็นเมานอนตะทางพื้นตอนเช้ามาก็ยังเมาอยู่ก็นุกเดือดเลยไปแจ้มันอีกสักทีหนึงเนี่ยนะคนะือไปดื่มเหล้าอีกแก้มันแกมันอย่างนี้ ทั้งที่ว่าทั้งทั้งนั้งมั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้มทัอมทั้งทั้งทอืงอั้งมั้งทั้งทั้งทั้งทั้นนี้งทั้งทั้งทั้งมั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งมันไม่ถูกั้งทั้ะนั้งความจริงผิ้ไป ลงถูกนั่นว่าว่ามันผิดตรงผิดนั่นว่ามันถูกไปอย่างนี้อือันนี้ถามว่าเราเห็นโทษจริงทั้งหลายเหล่านี้แล้วนะมีควลอายเมื่อมีความ ล, า ย, มม า, มลายเท่าไลายก็มีความระวังแ่านั้นมันมีควกลัวเท่าไรก็มีความระวังแถวนั้นในประมาทยางจะตะมาว่าเมื่อกี้นี่เอางูเหามาปล่อยไปใช่ในในกองขังอนี่นนกับเราอะขังอยู่นะั่นเราก็นั่งงูเหาก็เลอยอยู่นะจักตัวทังตัวใดมันวนอยู่นั่นแหละ เราก็แสนที่จะระวังนะถ้าเราลุกยกปีกเมื่อไรงเหามันจะแกรพังผ่านฟองเราจะนั่งรับตายแล้วก็ไม่นับอย่านี้งูตัวนี้มันจะอยู่ตรงไหนมันจะทําอะไรเพี้ยมันจะมากัดเราอะไรเพี้ยเม่อวันเราเห็นความผิดโดยสมมติมัก็มีสติอยู่และมีความรู้อยู่เท่านั้นในกิจการงานของเราบางอย่างอย่างนี้ในการงานของเจ้าของเหมือนกันเรารู่รอบทั้งหลายอยู่อย่างนี้ก็เดี๋ยวมีสติอย่างนี้มล้วมีสติและก็มีฉันป่าฉัญยะ มันมีสติสักรวาลมันก็ไปช่วยเอาดึงดึงเอาตัวปัญญาเนาี่นยมาพิจารณาอืมอตัวปัญญาสติความระดึ๊ดง่ายระดึ๊แต่เจ้ปัญญเอ้ยมาดูเลยรูตัวเลยรูตัวเราทําอะไรอยู่อย่างนี้เราพูดอะไรอยู่อย่างนี้เราพูดอะไรอยู่อย่างนี้ก็เป็นเหตุการณ์ปัญญามีความรู้อะไรอ่นถูกดีผิดควรหรือไม่ควรทั้งสติทั้งสติ ป, ปัญญาทั้งปัญญาจะมารวมกลุ่มเป็นอันเดียวกันนั้น สามารถทิ่จแก้ปัญหาอันนั้นได้โดยทางที่ถูกต้องอย่างมี้เดีย ว, ว่าการพินิจการพิจารณาแล้วก็อิอสระจสัมปชัญญานี้ห่ดทุกขุนทุการปฏิบัตินี้มันก็เกี่ยวแก่การสงกเกี่ยวแก่การสนุการสงกน่ะจะเกิดขึ้นได้มันก็เกี่ยวแก่การปฏิบัติธรรมะเป็นตนวัวความผิดความถูก รวมแล้วก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญามันก็รวมมาตรงนี้อาศัยการครอบคุมเช่ น, นี้เมื่อเราเห็นอยู่เมื่อเมื่อมันมีความผิดอยู่แต่ว่าอไม่ถึงเก่ จ, จะเสียหายอะไรมากอย่างนี้อย่างที่ไอ้ความสุขเกิดขึ้นมามันก็ดึงเราไปไอ้ทุกข์ไอ้ความทุกข์เกิดขึ้นมามันก็ดึงต่อไปดึงเป็นทางดีบ้างดึงเป็นทางชั่วบ้างเราเป็นคนต่างอย่างนี้ยทั้งไง บางทีก็วิ่งไปตามมันนี้บางทีก็วิ่งไปตามมั น, นั้นบางทีก็วิ่งไปตามสิ่งใดนั่นนี้เดยเกิดยุ่งเกิดชิดมากเกิดประสาทมากอะไรต่างๆนานาหลายประการมันเป็นธรรมดาของมันเด็ดแล้วพระเจา้า่านทอนมาให้หยุ ด, ใ ห, หยดให้หยุดการให้ยุดก็ึ้นการทําจิตให้มันมนิ่งฝึกจิตอันนี้ฝึกจิตอันนี้การทําสมาธิเป็นบางครั้งก่อนจะมีเวลาที่ต้องทำตอนเยน็นตอนข้าวหรือที่ไหนมีโอกาส หนาทีสิบนาทีสิบห้านาทีกำหนดสมาธิเพื่ออบรมจิตให้มีกำลังเมื่อจิตมีกำลังแล้วมันมีความหยุดถ้ามันมีความหยุดมันจะดูอารมณ์ได้เมื่อดูอารมณ์ได้เบื้ต้นมันจะรู้จักผิดรู้จกักถูกรู้จักอารมณ์มันจะเห็นชัดตรงไปว่าอันนี้เป็นอารมณ์อันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นกิเิตอันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นอารมณ์มันจะแยกกันออกเป็นอย่าง ที่มีการมาวอดสูญในในสมองเราหลายๆอย่างมันก็คลี่คลายไปมันก็เดือแต่อารมณ์หรือจิตอันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นอารมณ์ถ้าเราเห็นชัดเช่นนี้เราจะเห็นตอนอิจฉ้อันนี้มันผิดอันนี้มันถูกเมื่อมันเป็นอยู่เช่นนี้เราจะเห็นอารมณ์ไม่หลายอย่างที่เราอยู่ในจุดอันนี้อารมณ์นี้น่ะชอบให้เราวุ่นบางทีเรื่องจะไม่ควรจะวุ่นถ้าเราไม่มีปัญญามันต่วุ่น ถ้าเรามีปัญญาละจิต ท, ที่มันควรจะวุ่นอารมณ์ที่ควรจะวุ่นมันก็บันเทาลงไปพรแก่ตัวเรื่องมันอันนี้สำหรับที่จะทำให้มีสติให้ควบคุมจิตของเราถ้าหากว่าเมื่ออะไรในการงานเขาจะมันเกิดขึ้นมาไอคนนั่นสันจะเสริญระบัางคนนี้นินทาระบัางอันนี้มีความเสียหายแต่บ้างหลายหลายอย่างยิ่งเป็นนายคนใตยิ่งแล้วกันเท่านั้นเ อย่าคนนั้นพูดอย่างนี้อย่าคนานี้พูดอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ต้องอาศัยการหยุดรู้อารมณ์ช้าๆกิจนายมันหยัดเย็นบางทีมันมีเรื่องอะไรมากแต่เราคิดถูกอารมณ์เลยยุ่งเองเราเนอนไม่ได้กินไม่ได้ไอะไรไม่บุ้นพระพุทธองค์ท่านตัดว่าให้รู้จักอารมณ์นี้อารมณ์ดีบ้างอารมณ์ชั่วบงมันมายั่วยวนอยู่เสมอนั่นแหละในแต่การ ที่นี่เราก็จังเห็นอารมณ์ที่ว่ามันดีอารมณ์ที่ดีมากระทบแล้วก็เห็นว่าเอออันนี้มันไม่แน่สำลักในมันขี้คลายออกมาอย่าเหียวไปทานมากอืออารมณ์ชั่วมากกระทบอันนี้มันก็ไม่แน่นั้นทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์นี้มันก็ไม่แน่อืมอะไรมันเกิดขึ้นมาแล้วอันนั้นมันก็ดับไปอย่างทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาหนี้มันก็หับไปทันทีเนี่ะมันไม่อยู่หรอกมันทําไมมันถึงดับมันเกิดได้สําหรับ สุกก็เหมือนกันถ้าสุกเกิดขึ้นมาแม้คนเรามันก็ชอบใจเด้อเกินอย่าไปยึดมันอันนี้ก็บอกมันไม่แน่เหมือนกันดูไปไม่กี่วันมันก็หมดเหมือนกันไม่แน่เหมือนกันอืมวันนี้อันนี้มันก็สุกมันก็ไม่แน่ทุกมันก็ไม่แน่สิ่งที่ชอบใจก็ไม่แน่สิ่งที่ไม่ชอบใจมันก็ไม่แน่สิ่งที่เรารักมันก็ไม่แน่สิ่งที่เราเกลียดมันก็ไม่แน่มันก็เป็นอย่างนี้ยถ้าเราไม่รู้เท่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราก็ไม่ดูจากการปล่อยวาง ออ ก, กมาแบกไว้ทุกออกมาแบกไว้ชอบใจก็ออกมาแบกไว้ไม่ชอบใจก็ออกมาแบกไว้เมื่อแบบในนั้นนี่หมดความเปจริงรเขาเพื่อทา่านปล่อยวางว่าเห็นของทั้งหลายด่านี้มันไม่แน่ดูสิ่งที่นี้นี่ด้วยความมีสติสัมปชนะัญญะด้วยปัญญาของเรามื่ก็เห็นทําตามเป็นจริงเหมือนอย่างคนอย่างเป็นนายคนเนี่ยถุกมองคนนี้มาฟ้องนายเป็นงงั้นงันงั้ น, น, นบางคนไนมะ่เข้าใจใจรู้เพุ่มบม่เอาเร่องานมาเลยนะ่อยเนี่ยอย่างนี้ ไอ้ความวจริงๆคนหยุดด ก, ก่อนว่าเรื่องอันนั้นมันเป็นยังไงมันถูกต้องไหมอะไรแถวนี้ไอ้มันคลี่คลายออกเนี้เคลื่อนยื้อย่างนี้ให้รูเหตุผลจะค่อยๆว่ากันไปอย่าวู่รีบเลยทีเดียวนี้เดีกว่าเรามีสติอยู่จะจัดการจะทํำการงานอะไรโวยมากมันก็ถูกต้องดีจะเกินเป็นต้นอันนี้เป็นเครื่องรักษาเป็นที่หน้าที่ที่จะดีบัติในการงานทุกประการไม่ว่าทางโลกเดียวกทางกรรมก็ต้องพิจารณาตรงนี้ อยากใจคนเหมือนกันแต่คนกัเป็นธรรมชาติใจมเหมือนกันอย่างนี้ถึงไม่เคยคิดทลายกัมันจะแพ้ไปต้องเป็นว่าเลยเลยเลยเป็นว่าเสียประสาทเลยอัตมาเรียกว่าเอไอ้คุณ น, นั่นน่ะไอค้ความคิดนี้มันผิดแล้วมันไม่ถูกถ้าหากว่าคนทั้งหมดมันเหมือนกันคุณควจะเป็นว่าเหมือนกันน่ะคุณจะอธิษรานไอ้คนทําไมมันเหมือนกันเยอะจนทําไมมันไม่แปลกกัน คุณจะคิดยังมีอีกเหมือนกันอือคนอีกคนเหมือนกันคุณก็จะเป็นบ้าเหมือนกันอีกคุณมาเห็นคนอื่เหมือนกันคุณจะเป็นบ้าเหมือนกันไอ้แ่ทีจริงกับคนนั้นไม่มีปัญญาแต่มาได้ยกตัวอย่างว่าสัตว์สองอย่างอันนี้มันเป็นไก่อันนี้มันเป็นเป็ดสองคนมาดูสัตว์สองอย่างนี้คนนึงมาแม่เป็ดทําไมนม่เหมือนกับไก่ไก่ทาไมไม่เหมือนกับเป็ดท่านนี้ไม่ยอมรับมี่เขเป็นบ้าเท่านั้นเนี่ย ถึงคุณจะเป็นมากเปีดกมันก็เป็นเปียกอยู่อย่างนี้กายก็ไป็นกาอย่างนี้แจก็เป็นคนแก้ปัญหาไม่ดุดไม่จบแล้วแจก็เป็นว่าตอนเนี้ยมีคนหนึงเดินมาเห็นว่าไอ้เปียกนั้นลักษณะมันก็เป็นอย่างนี้กายมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้เป็นธรรมดาอยู่แล้วมันถูกแล้วเปียก็เป็นอย่างงั้นกาก็เป็นอย่างนี้คนมี้ก็มดปัญหาแล้วเรื่องเท่านี้แหละเรื่องความเห็นตอนนี้ไม่มากหรอกคนอยากให้ไกลมันเปีดกให้เปีดเปียหมือนใจยทุกข์เลยเป็นว่าตอนนี้มันผิดตอนนี้ อีคนนีปัญญาเลยแล้วคือาเป็ดมันก็เป็นอย่างนั้นแหละไก่ก็เป็นตามเรื่องมันเป็นเป็นอย่างนั้นแล้วคนนี้ก็มีอะไรก็สบายอันนี้เรื่องความเห็นผิดเห็นถูกตนเนี้แก้ปัญหาอย่างนี้ถ้าเรามีสติอยู่ถ้าเรามีสัมปชัญญะอยู่ปัญญาจะวิ่งธรามะตัดสินว่าเป็ดก็ปล่อยให้เป็นเป็ดไกก็ปล่อยเห้เป็นไก่ช่ไมันก็ยุ่งอยู่กับคนนั้นมันไปยุ่งกับคนที่คิดในถูกคนที่อยากให้เป็ดเป็นไก่อยากให้ไกลเป็นเป็ยจะเป็นว่าตลอดตายเลยไม่ยอมรับเท่านี้ ืเรื่องมันไม่มากแกเป็นเรื่องมากเรื่องตอนนี้ให้เราเป็นโลประสารนี่ยเป็นว่าอันนี้ไม่ได้ ว, ว่าความเห็นผิดนั่นความเห็นผิดไม่เห็นตามเป็นจริงของธรรมชาติมันจ้ะอืย่างธรรมชาติร่างกายอะไรเนี่ยมันเกิดมาแล้วนี่ยเกิดแกเจ็บตายพระพุทธองค์ท่านในสติไว้เนะ่ะเกิดแกเจ็บตายเพื่อการความเห็นผิดอย่างนี้เพื่อการความน้อยใจไม่เผื่อกันควรดีใจเสียใจไว้ มันมีเกิดเมื่อตมันมีแก่มันมีเก็บมันมีตายอันนี้เป็นพยานจริงๆอย่างไรแต่ว่าคนเราทุกคนมันจะต้องผ่านเกิดแก่เก็บตายอย่างนี้ถ้าคนไม่รู้สิ่งทั้งหลายนี่กันถ้ามันเก็บมาแล้วน้อยใจเป็นทุกข์ถ้ามันแก่มาแล้วก็เป็นทุกข์ยิ่งมันตายยิ่งร้องโฮมร้องไห้กันถึงตระกูลเลยทั้งๆที่เราเห็นอยู่นะเห็นด้วยว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่านั้นอยู่ แต่มันเห็นด้วยตาเนื้อไม่เห็นด้วยตาในคือปัญญาถ้าเห็นด้วยตาในคือตาปัญญาคือตาทิพย์อยา่างพระพุทธเจ้าเะไรแต่ก็เห็นว่ามันเป็นธรรมดาของมันเกิดได้ไม่ใช่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ใหตายไม่ได้ยังงั้นเรากลมเลยกินมะม่วงนะมะม่วงเป็นดอกก็เป็นดอก ย, อยังนั้นแหละไม่ต้องเป็นผลเกินมาอหรือมันเป็นผลดือๆก็ให้มันเดบอย่างนั้นเนลยต้องให้มันหามไม่ต้องให้มันสุกอย่เ ง, งีไม่เจยกินมะม่วงกันเป็น อันนี้มันถูกแล้วเนี่ยมันเป็นดอกแล้วจะเป็นดูกเล็กๆเดี๋ยวไปแก่ขึ้นมาหามและก็สุกเนี่ยถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นเราก็มาในทานมะม่วงกันทนั้นเนี่อันนี้เกิดแล้วแว่ามันแก่นี่เราไม่อยากให้แก่อีกเกิดแล้วเนี่ยผิดไหมผมก็ผิดสิไม่อยากให้เจ็บนิดแต่ห้ามมันจะไอคือความจริงมันเดินอยู่เนี้ยเนี่ยไม่อยากให้ตายนี่ได้ถ้าพระเจ้าจะมาเห็นนั่นใช่ไว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นะผมเรายอมรับใช่ทุกคนนะเหมือนมะม่วงเป็นดอกก็ยอมรับจ้ะ เป็นผลอย่างเล็กก็ยอมรับเชียอืมนะเมื่อเป็นผลนอนๆมันห้ามก็ยอมรับมันใช่เมื่อสุกก็ยอมรับมันใช่ก็เลยกินโมงวงสุกเท่านั้นเนี่ยแล้วมันเป็นอย่างนั้นอืมอืมถ้าเราคิดถูกสังขารความรู้ตามเป็นจริงของของสังขารสังขารมันเป็นจริงอย่างไรก็ตามรู้มันอย่างนั้นเช่ไถึงข่าวใจสุดมันก็วางนะมันทำามถึงวางได้ก็มันเป็นจริงอย่างนั้นนี่เห็นตามธรรมะไอ้ความยึดมั่นถือมันมก็คลายออกไปปัญหาก็หมดไปหมดไปหมดไปได้เรื่อยไป ยายนั่นเกียรติใจเราเกียรตปัญญาเห็นธรรมะอย่างนี้มันก็สบายว่าเกิดได้ถูกแล้วมันแก่ถูกแล้วมันเก็บถูกแล้วมันตายยิ่งถูกใหญ่เลยอันนี้เราไม่เห็นถูกเนี่ยมันเราไม่เห็นถูกอยากเกิดจะไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บแล้วก็ไม่อยากตายด้วยอันเนี้ยมันเป็นมิจฉาจิฏฐิมันเห็นผิดมันแจอปัญหานี่ไน่ได้ละเพราะแก้ไม่ถูกเรื่องมันท่านไม่คัดค้านมันท่านเห็นตามรูปเรื่องของมัน มันจะหมดปัญหาแต่ปัญหามันเป็นอย่างนั้นปัญหาที่เกิดได้มาใหตายเนี่ยมันแก้ไม่ได้แล้วปัญหานี่แก้ไม่ได้ถ้าในแก้เพราะเห็นตามมันนี่ทางแก้มันมีอยู่อย่างนี้มันก็สบายนี่ความเห็นตรงต้องมันก็สบายในเมียนเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างนี้ทุกคนจะคิดในแง่นี้แล้วก็เบาแต่เรามีชีวิตอยู่ก็เห็นว่าเกิดและตงแก่เก็บตายใครก็เหมือนกันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถึงในคราวเมื่อโลกโกดโ้อมันเกิดจะมาน้อง เมื่อเราจะมีการงานเมื่อโทษมันเกิดขึ้นอยากจะกอบโกยอยากจะเบียดเบียนนู้คนอื่นอย่างนี้เกิดขึ้นมาในจิตของเราเราก็เห็นในใจอื้อตายนะอหอบไปจะในก็ตายทําชั่วแล้วมันตายนะเอาผิดไหนไม่ได้เราเราทําพอมีพอกินให้มันนดโดยคน ม, มันจะมากกันมากในทางที่ถูกต้องมันจะน้อยแต่มันน้อยในทางที่ถูกต้องอย่าก็สบายใจเมื่อทําในกรสบายอย่างนี้เ ม, มื่อ ม, มีโทษแเดานัง่งก็สบายนอนสบายการงานเรามันก็สบาย ให้มันรุดคนจนในมีชีวิตตจะแก้ปัญหาไปในประจําวันตัววันนี้ทํำอะไรเราทำไม่ไล้ภายหลังเดือดร้อนทำนั้นไม่ดีแล้วทำอะไรที่เราทําไมแได้ภายหลังมันเดือดร้อนทานั่นไม่ดีทําไปแล้วภายหลังมันไม่เดือดร้อนมันสบายทำนั่นดีแล้วเท่านี้แหละลองลองดูในใจเราล้วทําจิตไม่มีปัญหาให้มัน ม, มีปัญหาท่านให้มันตัดปัญหาความเดือดร้อนออกไปเทา่านี้นึกว่าธรรมะนี่ก็ ใครไม่เห็นความกิดหรือความถูกเราก็เห็นของเราไม่ใช่ว่าเอาคนอื่นเป็นพยานอย่างนั้นอันนั้นมันโลกเขาอืมเช่นว่าเราทําความดีหรือความชั่วทั้งหลายเนี้เราจะเห็นในตัวเราบางคนเขาไม่จะทําความชั่วอย่างพ่อแม่นี่อยู่ลูกเล็กหลุดศีลดูหามีครูบาอาจารย์อยู่อยากจะทําอะไรหนึ่งขึ้นซึ่งแย่แนวเขาขคิดไปเรื่อยกลัวต้องมองดูครูบาอาจารย์มองดูพ่อแม่ ในมองดูคนจะเห็นเราไหมยอย่างนี้ถ้ามองดูพอ่อไม่มีแม่ไม่เห็นครูว่าอาจารย์เพื่อนกนกาลงมือทำมันนั้นทําผิดผิดได้ทําไมทําผิดได้เพราะว่าไม่มีคนเห็นมีคนต้องไปชอบอย่างนี้คือคนไม่มีธรรมะถ้าคนมีธรรมะมันทําไม่ได้แลแ้วไปทําอยู่ที่ไหนคนไม่เห็นไม่เมีอยดํางไปนั้นไปทําความผิดมีคนเห็นโดยบนอากาศไปทําความผิดอยู่นั่นคนจะเห็น เข้าไปในตาไปทําความผิดคนมาเห็นเราก็เห็นเห็นเท่านั้นน่ะใครเห็นนักเราเห็นเราก็เห็นเราก็ทําชั่วก็เพราะเราก็เป็นคนคนหนึ่งไงแม่ล่ะยังงั้นเรเห็นข้ามตัวเจ้าของไปเท่านั้นแหละยังงั้นทำดีที่ไหนก็มีคนเห็นเราเห็นเองเพรเราเป็นคนทําชั่วที่ไหนเราก็เห็นตัวเราเองไม่มีที่ไหนไม่เห็นแล้วยังงั้นธรรมะจึงไม่มีที่ลับผู้ถึงธรรมะจะจริงตรงไปตรงมาจะมีปัญญาอ่าอย่างนี้ เราทำถิณิตนี้ทำดีแล้วคนว่ะไม่ดีเราไม่ทำเขาว่าเราทำอย่างนีน้เราคนมีประญาณในตัวของเราเลยปะไม่มีอะไรถูกต้องมันก็สบายอันนี้คนมีสติอันนี้คนมีธรรมะเออเรื่องข้างนอกเราก็ต้องตีรนาเด่นเพาว่าผิดเด่นเพาว่าถูกเด่เพาว่าดีที่สบายช่วเมื่อเขามีนพาเราแล้วก็นอเมารู้ตัวของเราจริงเขาไหม เขาว่าเราไม่ดีทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าคุณไปต้านทานเขาะบอกเฮ้ยเปเรื่องของคนอื่นเรื่องใครก็จริถ้าเป็นเรื่องเราต้องรับฟังนี่ดีแล้วเขาว่าเราไม่ดีเราไม่ดีไม่ตรงไหนแต่ตรงนี้ควนทบแกะไขนะถ้าว่างที่มันเห็นคนแล้วมันถือเองไม่ดีไม่ดีเราก็ปล่อยมันออกเคลียว์มันออกนะตรงนั้นไม่ดีตรงนั้นดีไหมตรงนั้นดีเราก็เก็บบายคิดเราทำถูกแล้วเ้าว่าไม่ถูกนั่นเราก็เราก็ฟังว่าอี่อันนั้นก็พูดผิดแล้ว ว่ามีพยานในตัวของเราเอย่างนั้นใจของผู้ปฏิบัติธรรมนี่ต้องมีความเยือกเย็นอยู่ตลอดเวลาในตรวจดูเจ้าของอย่างนี้ด้วยสติดัวจิตวัญญะอันนี้เป็นทีปุ้งอัตโนเจทยัตญาังเป็นเตือนตนด้วยตนเองอย่างนี้มันก็สบายอืมผลจะสุดแบบที่ขีปูโตเอาตนเองเป็นพยานของตนอืมเราทำที่ไหนถึงแม้เรามีธรรมะเนี่ยเดพระจะอยู่เพราอันนั้นอยู่พระความจริง อยู่เพระความถูกต้องไอ้เรื่องคนอืน่นนั่นก็มีเป็นประมาณเรื่องเขาจะยินทาเนี่ยยอมรับอันนั้นกีเขาแนะเราเพื่อให้เรามีสติเพื่เราตื่นตัวเป็นมาเราดูเราอีกทีถ้ามันดูจะประเสียนมันวายอย่างนี้แนหะไปช่างคอนเคลเขาเตือนเราบางทีทาว่ามันมีเออไม่จริงความเหรอจะพยายามแก้ไขออกมันมีประโยชน์ตรงนั้นแหละนะบางคนเน่ยอมรับนะทำมาว่าเราโกรธเขาเลยเน่ยอมรับอย่าฟุ่มเฟือยเขาดีดแล้วเขาเตือนเรา อะจะโกหกตัวเราเองเนมันน้อยนะมี่ต่ชมเชยจะของเลื่อยไปคนนีถ้าคนอื่นคนนี้เขาให้สติเราแล้วอย่างกอบรักพิเศนรุกจิตเป็นกัพฏิบัติกันนั่งสมาธิทำจระโงคกอย่างนี้อาจารย์สังกวองมาตีหัวหนุ่มะมองเห็นหน้าอาจารย์ยกมือขึ้นขอบคุณครับนะทำไมเขาใจปาใจอาจารย์เตือนเขานะ หรือมีคนเตือนอะไรอย่างนี้มันดีแล้วเพเขาเปี่ยนตัวเขามีได้มีคนมาเตือนเขานั้นมันดีแล้วให้เขาเตือนขึ้นให้เขาจะุื้งขึ้นให้เขามีปัญญาให้เขารู้ตัวเขาขึ้นขเขาิดไปในแง่นั้นนี่จะดีเท่านั้นเนี่ยยอมรับอะสิ่งที่มันไม่ขัดข้องในนี้หรอกโลกสารพัดอย่างอสารพันอย่าง เรื่องคนจะมนพาชนเชยนี่มีย็ดทุกขณะทำดีมันก็หวาทําทชั่วมันก็นว่าอะไรแต่ละอย่างถ้าเราไมา่อาศัายตัวของเราไม่มีที่อยู่ลำบากมากลาบากดังนั้นจงปฏิบัติธรรมะให้มันเทา่านี้มันลี่คลายในการอุปทานทั้งหลายนั้นเป็นตัวนี้จํำหรับแก้ปัญหาอ่าแก้ปัญหาคืออย่าเพิ่งมันดูุไปก่อนอรับรู้ไว้ ยังก็เป็นนมีนมนต์มานี้มนตนะนี่ยหลวงพ่อนิมนต์นนะรับรู้ไว้ในจำรับรู้ว่าการนิมนต์ไปแห่งอิชันจริงๆอ่าไม่ได้ยังไม่รับรับรู้ไว้เท่านั้นแหละอืมยังมันก่อไป ไ, ได้่เมื่อมันตายจะไปได้เด้อามันไม่ตายแล้วทําไมโยมรู้ล่ะรู้ไหมอะไรโยมจะตายรู้ไหมอาจามาว่าอาจมารับโยมนี่มันถูกแล้วว่ารับรู้ไว้ บางทีมาชวนมันจะเป็นปวดท้องไม่อยู่จะทําไงเนะมันก็จะไม่ได้ไปอันนี้จังมันไม่แน่นอนบางทีจะมานอนไม่ใสอุปกรณ์เลยนะโัวมันตายในห้องตัวเขาจะไปเอาลําบากอุปกรณ์ไว้จะไปนอนแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ไว้ระวังนี่ไม่แน่นี่ไม่แน่อันนั้นความระวังของเรา ถ้าหาเราความระวางถึงที่สุดของเลยมันเกนไปก็ขึ้นข่าวมืนกันขึนาวเพราะเรา ป, ปฏิบัติธรรมะท่านนั้นมันถูกต้องแล้ว ป, ปลอละที่ว่าไหนไหนแนวไอไรปนตัวเออเอาไปปฏิบัติเถอะแตงเนี้ยจะหนีไปที่อื่นไะม่ได้เราเอาความจริงของเรานี่แหละ พระรจ้าาสนามันก็เป็นอย่านอืมมันมาจบลงตรงนี้แหละใครไปที่ไหนก็มาจบลงตรงนี้ต้องจบลงตรงนี้มันจบลงแนวนี้อืมแต่ว่าถ้านในต่อสู้ถ้านในอดทนพต่พระเจ้าอของเราต่อสู้อดทนเรื่องต่อสู้เรื่องอดทนนี้เป็นแนวทางปฏิบัติอืม กำลังเล่าให้พวกหนุ่มๆเนี่ยว่าผมยังมีเกลียดอยู่ว่ายังมีหลายร้อยคนหลายหมื่นคนน้องพ่อนั้นสบายแล้วผมยังเป็นผู้ไม่สบายยังมีเกลียดหลายอือัตมากเ็เลยถามว่าเคยรู้ประวัติพระพุทธเจ้าไหมน่ะ ท, น <c oughs> ท่านมีกลียดหรือเปล่าท่านพระพุทธองค์ท่านมีเกลียดยิ่งกว่าเรา นี่ครอบครัวแลเราทอนี้ท่านรพระเจ้าอาณาเตอย่างนายหลวงเนี่ยนะที่รักษาของกานในอาณาจักรไทยเรารักษาบ้านหนังเดียวเท่อนี้มีลูกสามสี่ห้าคนก็นแย่อยู่แล้วไหมนี่เรียวกว่าคือดอันนั้นท่านรักษาในอาณาจักรโอ้โหนั้นเนี่ยท่านยนิน่งเจดีต์มากพระพุทธเจ้าแต่ก่อนก็มีเจดีต์มากแต่ท่านไม่ไดิยินให้เห็นโทษในเจดีต้นั้น มาอยามาเป็นธาตุมันเลยเอคือมันไม่จบตัญหาปัญหามันไม่ใช่ตัญหามันอ้าอยู่เสมออย่างนี้มันไม่ทําอย่างนี้พูดถึงตัญหามันอ้าเอาแรงมนเวียงลงไปไม่พอมันอ้าอืมปัญหาแต่ว่าอ้าเรือแบบยอมรับทุกเวลาก็ได้บริษัทนี้นี่ยอมคือจบไม่ได้ นาทีตันหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่ไมีโอเคเห็นไหมแม่น้ำเนี่ตันหาเนี่ยมันมันยังมากกว่าแม่น้ำทั้งหลายทั้งปวงไอ้ตันหานี่ไม่มีอะไรจะข้ามมันมีเครื่องยินเครื่องจักรเคองยนต์ฆ่าไม่ได้แม่น้ำสมุดทั้งหลายยังมีเครื่องจกักรเคืองยนต์ข้า ม, มันได้แม่น้ำเส ม, มอด้วยตันหาไม่มีแม่น้ำเดีว่ามันน้อยกว่าตันหา เราข้ามมันไม่ด้วยเรืออะไรก็ได้อันนี้ต้องข้ามมันด้วยปัญญาคือมันพอไม่ได้แม่น้ำมันนี้มันมีฝั่งที่จะเต็มมันมีขอบเขตตันหานี่มันตันหาฟังเสียงมันมันอ้าอยู่เสมอไม่จบถ้าเป็นหม้อโอ่งก็โอ่งก้นมันรั่วบุรุษจะขนน้ําส่กระถางวันกระถางคีทกระถางกลางก็ะถางเวมันยังไม่เต็ม ไอ้ความไม่จริงมันยืนตัวอยู่อย่างนี้เพราะอะไรเพราตูดมันทะลุอเออเราทุกคนน่ะทุกทุกคนเนี่ยสมมติว่าถ้ า, ดาได้เงินเดือนห้าร้อยเยงเนี่ยได้บ้างบ้างก็เอาละนะะอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไป อ, อีกนะเออไม่ในสักพันยังก็จะดีนะพยายามไปได้อีกพันเออดีใจเอาคอเนี่ยนี่นะเอาเอาเอาพันห้าแต่อีก แล้วก็น้อยใตรงอีกนะอืมอ่าสามพันก็จะพอแล้เไงสามพันจะได้ไหนสี่พันห้าพันเลไม่พอเลยคือมันพอไม่ได้นั่นเองนะหละมันยากการหานี่มันหาผลไม่ใส่แจะเอาพอเหมาะพอสมควรสมควรยังไงได้มาเท่าไรจ่ายเท่าไรจะจ่ายอะไรบ้างจ่ายอาหารหรือจ่ายข้าวจ่ายเหล้าหรือจ่ายเบียร์หรือจ่ายอะไรต้องรู้จักในการจ่ายนั่นจ่ายไม่เป็นเกิดประโยชน์จะต้จ่ายมันเอง อนี่ประหยัดให้รู้จักการใช้หรือจักการจ่ายอไอ้ความพอดีพอเมาะสมมันจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเกิยขึ้นมาแต่เรามีแล้วเวียนไปทุกทุกตารางก็ไม่พอนลยจะทําไงไม่พออย่างนั้นมันก็ไม่พอพระพุทธเจ้งสอนอย่างนี้ถ้าเราดูจักในการครอบครัวดูจากในการใช้การจ่ายแล้วเราจะมีความสบายสมดุลกันสม้มาอีกอย่างนี้อตัญหานี่เป็นของสําคัญตาว่ามันซื้ อ, อยามากินถ้ามันเป็นไข้ ซื้ออาหารอร่อยมากินซะอซื้อข้าวมากินซะน้ำกินเนี่ยไอ้เล่าไอ้เบียร์ไอ้บาไอ้ช่องไอ้แช่งต่างๆเยอะมันมาใส่มันนียมันช่องจีบหายทั้งนั้นเนี่ยแต่เราอยากจะให้มันครบนี่ว่าจะให้มันสบายอันนั้นมันยิ่งไม่สบายแหละไอ้ความโศกมันไม่สบายแล้วความสงบมันถึงสบายความโุกมันเดือดร้อนดีหรือความโุกดีไหมไม่ดีแล้วความสงบนั่นสิไม่สุกไม่ทุกข์เนี่ยมันสบายแล้ว ถ้าโศกมันก็ติดโศกแล้มันพอได้ไหมโศกนั่นนะกินนอนเลยกินนี้กินนี้เลกินโน้ น, นไม่จดไม่หยุบเล ย, น, ย น, นี่เรารู้จักแล้วต้องภาวนาพิจารณาอะไรคน่างจ่ายอะไรอะไรมากมายอะไรไหมถ้าเราพิจนารณาในธรรมะมันก็คุ้มครองตัวเราได้แ ล, แ ล, แลยิ่งมันเดือดร้อนก็ถอนออกไปเรื่อยๆแต่กับ ม, มันเยอะกันนะนกินเหล้าก็เพื่อนถอนเลยหนุมน่มๆไปวัดตีให้เพื่อนเห็นได้หลายตีเขาเห็นเถอะนาแล้วนี่เาวัดเขาวาเถอะนะ เป็นทายแล้วยังไม่กล้ามาวัดถูกเพื่อนเขาทักอายมาวัดนะต้องมาหลบๆมาคนเดียวหรือสองคนกล้ามาเห็นเขาว่าเองเขาวัดกับว่าเลยนะเดียวนี้นะเท่านี้อายแล้วกลัวก็นี่อืเป็นอย่าง น, นั้นนี่ว่าเขาในสังคมไม่เหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยต่างๆอันนี้เป็นเหตุให้เราน้อยอกหน้อยใจที่เราไม่ขี้เจริญนาไม่ใช่คนอายแล้วอายแต่จริงที่มันทําผิดนะมันอาย ทิ้งที่ไม่ผิดในใจ่ว่าอายแล้วคนเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นฉะนั้นในทางคารวะของเรามันก็การาคิดมันถูกต้องมันก็สบายไงวันหนึ่งมีเอมีนายทหารคนหนึ่งเป็นมันมากราบคนในกรุงเทพเป็นนังพยาบาลนี่ยนะกราบกราบตรงไปทาวนุข้อฆ่ามันรู้ติบาปไหมคะอุ้ยบา ป, ปยมทำไงทำไม ผอมผัวไปมีเมียใหม่นี่ถ้าไปมีเมียแล้วไม่มาบ้านถ้าไปโน้ตทำไมมาก็อยู่คนเดียวเขาผอมเขาว่าเขาอยู่กรุงเทพเขาเป็นนางพยาบาลานีม่มาดูวัดสงบอย่าไปฆ่านะยอมนะอย่าไปทํามันเลยนะอื ม, อมถ้าจะทํานมาวมววบวชในวัดบวชนะก็ดีอย่าไปทําเลย ทำเรายิงทุกจริงเดือดร้อนอมอัมตมาว่าโตึนเห็นกันใช่ไหมตําแปัญญากําสามีเนี่ยแล้วเกิดพร้อมกันมาด้วยกันในฟ้าถึงมาพบกันเนี่ยเมืเ่อไห่เดือนมาเนี่ยอืมเออมันเกิดมา็นคนละทีถนะึงมาเห็นกันนี่ทําไมเขายิ่จากเราเพราะเขาไม่ชอบเราเี่แต่เขาชอบเราก็อยู่กับเราไม่เบื่อดีเนี่ยอเพราะเบื่อแลมันน่าจะทิ้งแล้วเนี่ยเขาไม่ชอบเราเนี่ยเข า, เาก็ตัดนะใจหนีจากเรายังไป คิดถึงเขายังไรล่ะเขาไม่ชอบเราแล้วก็ไปก็ดีแล้วเขาไม่ชอบเราแล้วผมม่นเขาก็เลิกเราก็เลิกแค่นั้นถ้าโยมไม่ชอบเขาโยมจะเอาไหมไม่เอากันนั้นเนี่ยอันนี้เขาไม่ชอบเราเขาคนี้ไปเนี่ยก็ดีแล้วลูกคนละพอละแม่มาพบม่กี่เรือนอย่างนั้นโสดน้าตาหลั่งลงไม่ไหนนะน้าตาโสดตรงกบบบบแน่แต่เอาให้มันให้มันหมดใช้น้ําทุกอย่าง ทาน้ำมีไม่หมดนั้นม่หมดทุกหลอกให้มันออกให้มันหมดนั่นดีอืมนี่แหละเมื่อมันตกไปแล้วมันเป็นใจอย่างนั้นไม่พอไม่รู้็นไงเรามาบวชนะอว่าหนูก็ยังยังยังมีลูกมีคันแล้วไม่รู้จะทําไงแต่าพอเนี่ยก็อายก็ยังไงอืท้ามาค่ามนุษย์บาปไ้มบาปหลายไหมเลยนะหลายสิย่างนี้อ่มันก็ไม่ไม่ควรจะให้มันเป็นนะไอ้มนุษย์เรานี่รู้จักกันแล้วนะ มันเป็นไปได้อย่างนี้อืมมันมเปลี่นด้อย่างนี้ก็ท่างไงมันก็คิดทําบาปเท่านั้นต่อไปนะั้นเพราะมันบาปนี่คือสร้างสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาอือัตอมาเห็นว่าอะไรก็สร้างมันเทอ่น้ํ า, นาใจกันนี่มันหายากเหลือเกินทรัพย์สมบัติเงินทองในวัดมันมีปัญหาไม่เท่าไม่เท่าน้ําใจเราหัวมียังไม่รู้ปฏิถูกกันเท่านั้นแนหะ